รูปธรรมนามารมที่กำลังปรากฏหน้าที่ของสติคือหน้าที่ระลึกไม่ใช่หน้าที่เพ่งไม่ใช่หน้าที่กําหนดคนรุ่นหลังนะัไปแปลสติผิดไปแปลว่ากําหนดกําหนดมาจากคำคำินจากคาว่ากดกดไว้ข่มไว้เคยถามมหาป ร, รียญอาจารย์องค์หนึ่งท่านหลายสิบพรรษาท่านเคยมาตอนนี้ท่านชรามากแล้วไม่ได้มาแล้วถามท่านอาจารย์ กำหนดเนี่ยบาลีมควรจะว่าอะไรอย่างเราไปชอบแฝลนะทุกขังอริยสัจจังปรินยยังทุกเป็นของควรกําหนดรู้ในคําว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยยังมีคําไหนที่แปลว่ากําหนดไหมที่แปลว่ากดท่านบอกไม่มีกดไว้ข่มไว้บังคับไว้ควบคุมเอาไว้ทําให้อยู่ในอนํานาจแทนที่เราจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้กลายเป็นบังคับได้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 ไม่ได้แปลว่ากําหนดไม่ได้แปลว่าบังคับตามดูหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราค่อยรู้สึกไปเรื่อยมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเจียนถึงเราเรียนจากหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่เทศอะไรเนี่ย น, นะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหลวงพ่อไปตามสํานักต่างๆนี่เยอะมากเลย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 ไม่ใช่ว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรถ้าทําถูกก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันทําผิดก็ผิดเหมือนกันแหละแต่ส่วนใหญ่มันผิดผิดตรงที่ถ้าไม่ไปคิดเอานะก็เพียงเอาไว้ไม่ใช่รู้สึกเอาเราลาเลยคําว่ารู้สึกไปคําว่ารู้สึกเนี่ยมันซื่อๆซื่อๆตรงๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นรู้สึกได้เห็น <He> สิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่พอความโกรธเกิดขึ้นก็โกรหน้อโกรหนอนะอันนั้นมุ่งให้หายโกรธ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 งั้นบางคนนะบอกว่าผ่านยานมากมายวูบอย่างนี้หมดความรู้สึกอย่างเนี้ยหลายสิบรอบแนละ้วมีบางคนมาบอกหลวงพ่อนี่ทีมนี้นะเนีคยเล่าใช่ไหมเคยได้ยานเป็นพระราหันต์มาหลายเที่ยวแนละ้วนั้นวันดีคืนดีก็ตีกับผัวอีกอะไรเงี้ยนะเราเข้าใจผิดเราไปคิดว่าบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องไม่มีจิตไปเข้าใจว่านิพานนิพานส่วนหนึ่งนะมรรคผลเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งโครลนกัน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 เรียกว่ายกย่องไว้ก่อนว่าเป็นปัญญาชนเพราะนี่คิดทั้งวันหัดไว้อันเดียวก็พอละจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเราฝึกอย่างเนี้ยเพราะอะไรทําไมสอนให้ดูจิตที่ไหลไปคิดดูยากนิดนึงจิตที่กโกรธจิตที่โลภดูง่ายจิตที่ไหลไปคิดดูยากนิดนึงแต่ว่าคนเก่งมันต้องเรียนยากๆไว้ก่อนทําไมหลวงพ่อเจ่อจงให้เรียนจิตที่ไหลไปคิดเพราะจิตที่ไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย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 จิตชนิดนี้ในอริยธรรมจะเรียกว่ามหากุศลจิตยานสัมปยุทธ์อาสังขาริกังอาสังขาริกังสําคัญนะจิตที่เป็นกุศลมีสองยมพวกอาสังขาริกังไม่ได้จงใจให้รู้สึกขึ้นมาไม่ได้จงใจให้เกิดพวกนี้มีกําลังแก่กล้าเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าซาสังขาริกังคือต้องน้อมนําให้เกิดเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนไม่พอที่จะทํำพิปัสนาจริงแล้วเราต้องพัฒนาสตินะ